เดี๋ยนี้เครื่องทุ่นแรงเยอะแต่ก่อนฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะต้องพยายามจำเอาแล้วไปตั้งใจจําก็ไม่ได้นะเออไม่ตั้งใจจําหาว่าไม่ตั้งใจฟังธรรมะโจทย์ก็ไม่ได้นะมีแต่คําว่าไม่ได้เยอะมากเลยเวลาเรียนอยู่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เรียนด้วยใจเรียนด้วยใจ กรรมฐานจริงๆไม่ได้มีอะไรยากนะพวกเราอย่าไปวาดภาพกาปฏิบัติธรรมว่ายากสุดวิสัยธรรมะไม่ได้สุดวิสัยธรรมะเป็นสิ่งที่พอดีพอดีกับกําลังของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละไม่ใช่ต้องซุปเปอร์แมนนะแต่ว่าต้องเป็นคนจริงต้องเป็นคนจริงนะคนจริงถึงจะได้ของจริงคนเหยาะๆใหญ่ๆมีแต่ความอยากอยากได้มาผล น, นิพพาน ภาวนาสมวันแล้วก็เลิกไปสามเดือนแล้วมาอยากใหม่ทำใหม่นะอย่างนั้นคงนานหน่อยคงหลายกลับจริงๆครูบาอาจารย์รุ่นพวกเรานี้นะเท่าที่ทราบที่ท่านเคยเล่าเคยอะไรกันท่านก็บําเพ็ญบารมีไม่มากไม่นานไม่นานเท่าไหร่พวกเราอย่าทอดแท้ใจนะท่านสร้างกันมาที่เราเห็นท่านวิเศษวิโส ส่วนมากท่านทำมาแค่31มสิบเอกัปนั้นสามสิบเอ็ดกับมันก็คือเวลาที่จักรวาลเกิดแล้วดับจักรวาลคือระบบของสุริยะจักรวาลเนี้ยนะไม่ใช่จักรวาลทั้งหมดนะเกิดแล้วดับนะก็ไม่นานนะักถ้าเราไปภาวานาแล้วไปหลุดเป็นโฟมนะเห็นจักรวาลเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยแป๊บเดียวป่าเข้าไปตั้งหลายสิอันลนะถ้าเกิดเป็น มแมลงอะไรเงี้ยคงนานเยอะอการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นนะแต่ต้องใจใจถึงถึงจริงใจซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองที่จะเรียนรู้ตัวเองความไม่ดีของเราซ่อนเร้นอยู่เยอะแต่ละคนเก็บขยะไว้เต็มไปหมดเลยนะเก็บขยะเปิดคลังมหาสมบัติออกมานะเจอขยะนะไอเพชรเพชพรพลอยพอยไม่ค่อยมีหรอก เป็นมากอาศัยความตั้งใจจริงกล้าสละประโยชน์ส่วนน้อยประโยชน์ส่วนน้อยก็คือความสุขอย่างโลกโลกนะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นจะมีอะไรนักหนาเลยความสุขของโลกมีนิดเดียวคับแคบลองมาศึกษาปฏิบรรัติทำเพื่อจะจพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ ความสุขในโลกมันเหมือนเราเป็นแค่ปลาเงินปลาทองอะไรเงี้ยอยู่ในตู้แคบๆถูกเขาเลี้ยงไว้อยู่ไปวันๆถึงเวลาก็มีกินมีอยู่ไปวันๆนะเดี๋ยวก็ตายเขาเอาตัวอื่นมาเลี้ยงแทนของบ้านเรานะอยู่ๆไปนะตายไปคนอื่นมันก็มาอยู่แทนเมื่อก่อนมีเพลงด้วยซ้ำไปนะพอเราตายอะไรซ้ำไว้พ้นมือเมียเราไม่รู้ว่าเป็นเมียใครอะไระจําไม่ได้ ฉะนต้องกล้าอย่าไปหลงกับความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากนะักนะศึกษาปฏิบัติทำเรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาใน ใ, นใจของเราบ่อยๆสิ่งที่มันเป็นภาระที่สุดสําหรับพวกเราก็คือกายกับใจของเรานี่แหลนะเป็นภาระมากกายกับใจอย่างร่างกายดูสิเราต้องดูแลมันเยอะนะตั้งแต่หัวถึงเท้าดูสิเยอะแยะเลยรัก วงแหนที่สุดทั้งทั้งที่ขี้ทั้งนั้นเลยนะลองไล่ลงมาตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนนะสูงสุดจนต่ําสุดมันวิเศษวิโสอะไรนักหนาไปหลงกับมันทําไมดูลงมานะดูลงมาในกายดูลงมาในใจเมื่อไหราหมดความรักในกายหมดความรักในใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจจะไม่ยึดถืออะไรในโลกแล้วสิ่งที่เรายึดถือมากที่สุดคือกายกับใจของเรานี่เอง พอเราไม่ยึดถือในกายในใจนะมันไม่มีอะไรให้ยึดอีกละจิตใจมันจะมีแต่อิสระภาพเพราะว่าไม่เราเราไปยึดอะไรไว้นะเราจะไม่เป็นอิสระเพราะสิ่งนั้นแหละอย่างเรายึดในทรัพย์สมบัติเราไปไหนไม่รอดเลยไปไหนเราก็ห่วงสมบัตินะไปไหนไม่ได้เนี่ยเรายึดอะไรไว้เราก็ไปติดอนะันนั้นไปไม่รอดยึดลูกยึดเมียไว้ก็ไปไหนไม่ได้เป็นห่วงคนโบราณท่านเปรียบดีนะ เวลาคนตายเนี่ยเขาจะผูกมัดตราสั่งแล้วเขามัดสาข้อมัดคอนะมัดคอไว้อันมัดมือแล้วก็มัดเท้ามัดคอนบ่มีลูกมีลูกนะเหมือนเราเชือกผูกคอไว้ทำไมผูกคอรัดแน่นๆกินไม่ลงนะอย่างพ่อแม่คนไหนจนหน่อยๆไม่มีเงินมากเกจอของอร่อยๆกินไม่ลงนะ คิดถึงลูกกินไม่ลงมันถูกผูกคอไว้มีสามีภรรยาเขาบอกว่าเหมือนถูกเอาปอผูกศอกนี่ภาษาอีสานนะคุณแม่น้อยเคยท่องให้หลวงพ่อฟังมีลูกเหมือนเอาเชือกผูกคอนะมีเมียเหมือนเอาปอผูกศอกมีสมบัตินะเหมือนเอาปลอกติดขาเวลาเรามีแฟนมีคู่รู้สึกไหมเราไม่อิสระเหมือนเราถูกมัดมือแหละบาทีถูกมัดมือชกนะ มันไม่อิสระนี่ความสุขของโลกเห็นไหมมีลูกนะเราทุกเพราะลูกเห็นไหมมีสามีมีพันยาเราก็ไม่อิสระมีมอิสระจะทาอะไรเคยอิสระมันก็ไม่อิสระแล้มันไม่คล่องตัวมีสมบัติเหมือนเราพอปลูกศอกเหมือนเราเปลอกติดขาเนี่ยปลอกติดขาไว้คือไปไหนไม่ได้มีสมบัติเราต้องนั่งเฝ้าสมบัติน่ะ ไปไหนเดี๋ยวกลัวหายเราก็เป็นทุกข์นะมีความทุกข์งั้นในโลกเรามีอะไรเราก็ทุกข์เพราะนั้นเราก็ที่เจ้าถึงบอกมีวัวทุกข์เพราะวัวมีนาก็ทุกข์เพราะนามีทรัพย์สมบัติทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติมีคนในโลกไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์นะก็อยู่ตามๆกันมาก็เที่ยวสแสวงหาหวังว่ามันจะดีได้มายิ่งเยอะยิ่งดีไม่รู้ว่ายิ่งภาราเยอะนะคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากในชีวิตของเราจริงมีแต่ความต้องการเทียมเยอะ ความต้องการเพื่อเอาหน้าเอาตาหลอกหอกเนี่ยถ้าเรามาดูนะดูลงในกายในใจเรายึดอะไรไว้เราประทุกเพราะนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดนะคือกายกับใจไม่ใช่ลูกนะบางคนบอกรักลูกที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่รักสามีพัญญามากที่สุดไม่มีหรอกโกหกใครมาบอกเราแนละผมรักคุณมากกว่าชีวิตผมโกหกขี้หน้าไปเลยนะโกหกบอก คนที่เขาจิตปราดเปรียวเขารู้นะอย่ามาโกหกน ะ, ะไม่มีอะไรรักมากเข้าตัวเองนะหรือเรารักจิตใจของเราเราอยากให้จิตใจมีแต่ความสุขสนุกสนานนะเรารักจิตใจมันก็สุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างบ้าบๆไปตามเรื่องของมันแหว่งขึ้นแกว่งลงไปตามเรื่องแลนะ้มีมีความสุขที่แท้จริงถ้าเรารู้ลงในกายรู้ลงในใจพอไม่ยึดกายนะเราไม่ทุกข์เพราะกายละ แม่ยึดใจก็ไม่ทุกข์เพราะจิตใจโอ้จะมีความสุขที่นึกไม่ถึงน้ําตาร่วงเลยนะว่าโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอความสุขชนิดนี้ก็มีด้เหรออัศจรรย์ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆสอนให้เรารู้กายสอนให้เรารู้ใจจนปล่อยวางกายปล่อยวางใจเข้าถึงธรรมะที่มีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะอัศจรรย์ที่สุดความสุขอย่างโลกๆนะความสุขคับแคบ สุขที่เจอด้วยความทุกข์เต็มไปหมดเลยรักอะไรก็ทุกข์ร้อยนั้นหละไม่ดูลงในกายนะคอยรู้สึกอย่าลืมตัวอย่าเป็นคนลืมตัวลืมตัวไม่ใช่ว่าได้ดีแล้วลืมตัวนะนั่นกระจอกลืมตัวก็คือลืมกายลืมใจของเราเองเนี่ยคนลืมตัวนะลืมตัวเรียกประมาทปล่อยให้กายปล่อยให้ใจตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งประมาท โอกาสของเราที่จะพัฒนาคุณงามความดีให้จิตให้ใจตนเองนะั้นน้อยลงทุกวันทุกวันเราก็หมวแต่เพลินกับโลกเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมทั้งหลายเพลินชีวิตเราสั้นลงสั้นลงทุกทีละหลวงพ่อไม่เห็นอะไรจำเป็นนะเท่าการมีสตินะมีสติรู้ลงในกายในใจนีสติกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นความเข้าใจ เป็นตัวปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรผ่านไปผ่านมาอะไรเกิดขึ้นในกายรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันสัมปชัญญะหรือปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจทุ ก, ส, ทกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นเข้าใจตามความเป็นจริงคือเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์กอย่างบังคับไม่ได้เนี่ยคอยดูอยู่ในกายในใจจะเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งวันเลยนะอย่างร่างกายของเราสังเกตไหมนั่งดีๆก็ทุกนะ นี่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราหายใจออกเราหายใจเข้าก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ต้องหายใจก็เพื่อแก้ทุกขนะ์นั่นแหละพอหยุดหายใจไว้หรือเป็นวัดหายใจไม่ออกทุกข์นะทุกข์หายใจออกลูกเดียวก็ทุกข์เห็นไหมต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าไปสักพักหนึ่งทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์ดูสิร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นขนาด น, นี้เราไม่เห็นนะไปประมาทโ ม, มเมาว่ามันเป็นของดีของวิเศษ เนี่ยถ้ารู้ลงมานี่แม่มันทุกข์ล้วนๆเลยนะนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นอนต้องต้องพลิกไปคลิกมาเลยเนี่ยเราเห็นในกายนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยคอยรู้สึกอยู่ในกายก็เห็นมันทุกข์ล้วนๆถึงวันหนึ่งมันจะหมดความรักในกายนี้หมดความยึดถือในกายนี้พอหมดความยึดถือในกายจะได้พผ้านาคามีนะะเป็นภูมิของพผ้านาคามีพระโสดาพระสกิทาคายัางยึดกายอยู่ การภาวนานอกจากรู้กายก็คอยรู้จิตใจของเราไปด้วยทําขนานกันไปไม่ใช่รู้อันใดอันหนึ่งหรอกบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้ใจนี่คนที่ภาวนาเป็นแล้วมันจะรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่รู้กายอันเดียวไม่ใช่รู้ใจอันเดียวไม่ใช่รู้เวทนาอันเดียวบางคนบอกฝึกมาสายนั้นสายนี้โอ้นั้นสายไปแล้วนะ <c oughs> จริงๆถ้าภาวนามีสตินะไม่มีสาย เดี๋ยวสติก็รู้กายพอสติรู้กายปัญญาก็เข้าใจความเป็นจริงของกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุสติไปรู้จิตใจไม่เห็นเลยปัญญามันก็เข้าใจเข้าใจเลยจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในจิตใจเราจะสุขก็ตามจะทุกข์จะดีจะชั่วจะโลภจะโกรธจะหลงจะงฟ่องใสหรือจะเศร้าหมองอะไรก็ตามทั้งหมดไม่เที่ยง ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเต้นไปด้วยความไม่เที่ยงดูจิตใจนี่จะเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดหรือดูไปอีกทีก็จะเห็นอนัตตาได้ชัดเราบังคับมันไม่ได้เห็นไม่เราเลือกไม่ได้นะอย่างเราฟังคนสองคนนะ่ะพูดคนนี้เราชอบคนนี้เราไม่ชอบนพูดประโยคเดียวกันความรู้สึกเรายังไม่เหมือนกันเลยเราเลือกไม่ได้นะไม่ใช่เดินเดินอยู่คนตะโกนบอกไอ้บ้าต้องโกรธใช่ไหอ ม, มันโกรธ ห้ามมันไม่ได้มันจะโกรธหันไปดูเอา้ามันเพื่อนเรามันกําลังร้องทักทายเราธรรมดามันเรียกชื่อพ่อเราด้วยซ้ําไปวันนี้เราเรียกเราไอ้บ้า น, นี่สุภาพขึ้นเยอะแล้วรู้สึกดีใจคลิกจะโกรธเป็นดีใจจิตใจมันจะดีใจก็ห้ามมันไม่ได้เนี่ยคอยดูลงไปดูของจริงนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูไปอย่างเนี้ร่างกายเราก็ดูไปมันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆอย่าขี้เกียจ ด, ดูนะไม่ใช่ดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับไปอยู่กับลมหายใจ ไปเพ่งท IX, ้องพองยุบอะไรเงี้ยมันไม่เกิดปัญญาอะไรขึ้นมารู <S <S ้ลงไปในกายนี่มากๆเห็นได้มันมีแต่ความทุกข์บีบคันอยู่รู้ลงไปในใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลของชั่วคราวทั้งหมดเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เราเลือกไม่ได้สั่งให้สุขมันก็จะทุกข์นะห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์เนี่ยความสุขเกิดขึ้นแล้วสั่งให้สุขนานๆมันก็ไม่สุขอีกมันอยู่ได้เดี๋ยวเดียวมันก็หายไป พวกเรารู้สึกไหมความสุขสั้นแต่รู้สึกไหมความทุกยาวเราไม่ชอบไม่ชอบถ้าไหนเราชอบอย่ารู้สึกมันน้อยไปไหนไม่ชอบรู้สึกมันเยอะไปไม่ชอบ mm. ในใจเรานะมันบังคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเปลี่ยนของมันเองหรือเปล่าไม่ใช่มันเปลี่ยนตามการกระทบเห็นไหมมันมีการกระทบก่อนตามองเห็นเนี่ยใจถึงเปลี่ยน อได้ยินเสียงเนี่ยใจถึงเปลี่ยนจะโมกได้กลิ่นใจถึงเปลี่ยนยกตัวอย่างอย่างเรานั่งอยู่ตามลําพังเงียบๆนะได้ยินเสียงกรอบแกลบมาถ้าเรานั่งอยู่สว่างได้ยินเสียงกรอบแกลบแล้วก็แค่หันไปดูใช่ไหมใจเราก็เฉยๆแค่สงสัยถ้าอยู่ในป่าเปรียวเปลียวกางคืนนี่ต้องทําเสียงให้ได้บรรยากาศนะกลางคืนวังเวงนะได้ยินเสียงกรอบแกลบกรอบแกลบ มันจะไม่ใช่รู้สึกสงสัยแล้วนะรู้สึกสงสัยแล้วเห็นไหใจเราเลือกไม่ได้ใช่เสียงอันเดียวกันเ น, ะนะใจเรายังไม่เหมือนกันเลยในการได้ยินแต่ละครั้งไม่เหมือนกันหรือได้กลิ่นอย่างเราอยู่ในบ้านเราเราได้กลิ่นอะไรเน่าๆใช่มแต่อย่างมากเราก็กังวลใจหรือสงสัยตัวอะไรมาตายในบ้านเราลงมาอยู่ในวัดสิแล้วได้กลิ่นเน่าๆสิเห็นไหมนะบรรยากาศเป็นอีกแบบหนึ่งม มันวังเวงใช่ไหมวังเวียนื้ใจมันจะเปลี่ยนกลิ่นเดิมนั่นแหละกลิ่นเดิมนั่นแหละเปลี่ยนเนี่ยใจเราเราเลือกไม่ได้เลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยเราตามรู้ไปนะการที่เราคอยรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาปัศนาแปลว่าการเห็นวิคือวิเศษการเห็นอย่างวิเศษเลย คือการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของจิตใจเห็นความจริงจนกระทั่งใจมันคลายความรักความยึดถือในกายในใจนีออกไปไม่ได้ยากอะไรใชฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันก็ได้อย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราใจมันโกรธรู้ว่าโกรธไม่ใช่รู้ว่าถูกปาดหน้านะอย่างงั้นคนอื่นเขาก็รู้คนไม่ปฏิบัติก็รู้ใจเราเป็นยังไงเรา่อยรู้ไปนะเราค่อยๆดูไปนะอะไรที่เราไปติดไปข้องไปยึดไปถือ มันล้วนแต่ทำความเผ็ดร้อนให้เราทั้งนั้นเลยไปติดในทรัพย์สมบัติก็ทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติติดในความคิดความเห็นก็ทุกข์เพราะความคิดความเห็นนะติดเพราะความถือตัวถือดีถือเด่นก็ทุกข์เพราะความถือตัวนั่นแหละอย่างคนถือตัวนะคนดังทั้งหลายเนะเดินไปไหนแล้วไม่มีคนรู้จักวันนั้นเทินไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักจอยนะเออพวกคนดังๆสมมติว่านายกนายกตอนนี้ใครทักษิณไม่ใช่ละเออไม่รู้จักอะ่ะ อะไรนะ เ, เกิดเป็นนายกเนี่ยนะไปเดินเดินแล้วโอ้เดินมาชั่วโมงยังไม่มีใครทักเลยใจแป้วเลยนะแม่เกียรติยศชื่อเสียงเอาคนอื่นเขาให้ไม่ใช่ให้ตัวเองอย่างเราให้ตัวเองนะกูเก่งกูใหญ่กูดังไม่มีใครรู้จักเลยหมายังแยกเคี้ยวใส่ซื่ออีกอันะอนี้ใจฟอคือไม่รู้หน้าอะไรของโลกสมบัติของโลก ทรัพย์สินนี่ของโลกนะชื่อเสียงเกียรติยศก็ของโลกนะโลกเขาให้คือคนอื่นเขาให้ไม่ใช่ของตัวเองหรอกอยังถือว่าของกูของกูโง่ที่สุดเลยวันไหนมันหลุดมือไปเขาไปให้คนอื่นแทนเนี่ยใจฟอเลยเราราวนาเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองมีความสุขจิตใจเข้าถึงความสุขเข้าถึงความสงบฝึกเอานะฝึกเอาโลกงพ่อได้แต่ชวนนะได้แต่ชี้ชวน ได้แต่บอกทางให้ที่เหลือต้องทำเอาเองต้องพึ่งลําแข้งของตัวเองนะพึ่งลําแข้งคือเดินเอาไว้เดินจ้วงลมบ้างนะพึ่งก้นเอาไว้นะนั่งไว้นะอย่าพึ่งหลังมากนะักนะหลังเอาไว้เป็นอวัยวะที่ใช้เมื่อจําเป็นในการภาวนามันไม่ไหวแล้วมันเมื่อยแล้วก็ค่อยนอนนะพึ่งลมหายใจพึ่งร่างกายพึ่งมือพึ่งเท้านะขยับไปคอยรู้สึกค่อยรู้สึกไปด้วย ชีวิตของโชคคราวหมดแล้วหมดเลยนะชีวิตถัดไปชาติถัดไ ป, ดไปจะได้เจอศาสนาพุทธหรือเปล่าไม่แน่จะได้เป็นคนหรือเปล่าก็ไม่แน่นะชาตินี้ได้ทุกอย่างเพราะเพมหมดแล้วอย่าให้เสียโอกาสต้องพัฒนาตัวเองให้ได้นะี่ได้แต่คอยเชียร์อย่างเงี้ยนะบอกให้เชียร์ให้บอกจนไม่รู้จะบอกอะไรแล้วนะ หลวงพ่อกล้ายืนยันเลยนะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนสอนละเอียดเท่าหลวงพ่อหรอกส่วนมากท่านสอนชี้หลักๆให้ใจถึงถึงนะไปรูปรูปคำคหลายๆปีเข้าใจขึ้นมาคำหนึ่งมี่พอเรียนละเอียดแล้วก็อยากขี้เกียจอะไรอย่ามม่แต่ภูมิใจฟังหลวงพ่อมาเยอะแล้วเข้าใจธรรมะแล้วนะนั่นะในความจําใช้ไม่ได้ดูจากของจริงดูลงไปมันไม่ได้ยากอะไรอย่าใจลอย ถ้าเราใจลอยไปเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองในขณะเดียวกันก็อย่าไปเพ่งอยู่ที่กายอย่าไปเพ่งอยู่ที่ใจอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่กับท้องอย่าอยู่กับเท้าอยู่กับมืออยู่กับลมหายใจเนี่ยอย่าบังคับจิตให้เพ่งให้นิ่งๆอยู่กับความว่างอะไรเงี้ยการบังคับจิตให้ไปนิ่งอยู่กับอันใดอันหนึ่งเป็นแค่สมถะได้แต่ความสุขความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เสื่อมให้มาเรียนรู้ของจริงรู้ลงในกายอย่าใจลอยไป อย่าเพ่งอยู่ที่กายรู้ลงที่จิตใจนะอย่าใจลอยไปอย่าเพ่งจิตใจรู้ไปมันดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดูอย่างนี้ง่ายที่สุดเลยเห็นจะยากเลยหลวงพ่อบางทีอยากถามเหมือนกันมันยากตรงไหนอ่ะทำไมมันภาวนากันไม่ค่อยจะได้ฮะมีหน้าอาจารย์เซนหนึ่งมีไม้อันหนึ่งเอาไวต้ตีสงสัยมมึงนั่งหลับนะตี ก่อนดูหนังญี่ปุ่นตอนเด็กๆ เ, เห็นพระพระญี่ปุ่นอ่ะชอบถือไม้ไว้ตีลูกศิษย์ตีหลังรู้สึกเราไม่บวชอะสำนักนี้ทำไมมันแกล้งกันทั้งวันใครมีอะไรจะคุยเชิญยกมือออกก็แล้วกันญาติส่งกันบ้านเจ้าค่ะโยมหัดดูไปแล้วคนนี้เริ่มจะเข้าใจว่า การเห็นที่ไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยเห็นแบบเป็นกลางเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าโยมไม่แน่ใจว่าโยมคิดไปเองหรือเปล่าใช่ได้และดูไปเรื่อยๆดีแล้วเออแต่ว่าบางทีก็เหมือนกับบางวันก็เหมือนกับปฏิบัติไม่ได้เลยไม่เป็นเลยไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนหละถามใครก็ ไ, ได้บางวันนะเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าแล้วอีกก้าวหนึ่งก็ถึงแล้วอีกวันหนึ่งเอ๊ะเข้าภาวนากันยังไงวะงงนะงงหลวงพ่อยังเคยเป็นเลยตอนอยู่สวนโพนะ บวชพรรษาแรกแรกพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่2บางวันตื่นขึ้นมาให้ยเขาภาวนากันไงอ่ะไม่รู้เลยลืมไปหมดเลยเดี๋ยวบางทีก็ยังไปติดเพ่งอยู่ใช่ตอบถูกนั่นแหละรู้ไปสังเกตไหมไอตัวที่เพ่งก็ไม่ใช่เราไอตัวที่ไปติ่นก็ไม่มีเราอยู่ในนั้นตัวเราไม่มีดูไปเรื่อยๆแต่อย่าคิดนะมีความรู้สึกความรู้สึกว่าตัวเราไม่มี เขาที่แล้วหลวงพ่อสอนว่าอย่ารีบหมายความว่าให้ดูความอยากใช่ไหมเจ้าคะ่ะอย่าอะไรนะอย่ารีบอย่ารีบปฏิบัติเจ้าค่ะใช่ใช่อย่าลุกรีลุกหล่นใจเย็นๆค่อยดูกายค่อยดูใจใจเย็นๆนะอดทนเดินไปรีบร้อนยิ่งช้าคือให้ดูที่ความอยากของตัวเองใช่ไหมเจ้า<ช>คะ่ะให้รู้ทันอะไรมันผลักดันจิตใจของเราให้ลุกดิลุกหลนให้รู้ทันมันไปอย่าให้มันครอบงําจิตใจ การภาวนาต้องเนียนเนียนนะต้องประณีตที่สุดเลยต้องใจเย็นอย่างหลวงพ่อเป็นคนใจร้อนนะขี้มโมโหด้วยะโธสะแรงกล้าอะไรก่อนเนี้ยโมโหเนี้ยหันไปมองนะหมาหางจุกกุ้นเลยนะหมามันมาเห่าเดินผ่านหน้าบ้านมันเห่าหันไปมองนะมันเลิกเห่าตัวง อ, อกรกอง อ, อขิงแสดงว่าเราเก่งกว่าหมาภูมิใจนะภูมิใจอันนั้นภูมิใจดูงโง่ชะมัดเลยชนะใครไม่ได้ชนะหมา มีใครเชิญผมอยากกลับเรียนถามครับทำยังไงถึงจะเลิกเพ่งครับเลวงพ่อก็อย่าไปเพ่งมันสิทําให้มันต้องดูต้นต้นว่ามันเกิดจากอะไรเพ่งอ่ะเกิดจากอะไรต้องรู้เหตุอยางปฏิบัติอยากปฏิบัติงั้นทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าอยากซะความอยากครอบงําใจไม่ได้ก็ไม่เพ่งเองแหละครับผม สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะไม่ใช่อยู่ๆก็ไปให้มันไม่มีถ้ามันมีเหตุมันก็จะมีอยู่งั้นเราต้องดูลงไปอะไรเป็นเหตุทําให้เราเพ่งอยู่เราอยากปฏิบัติรู้ทันต่อไปพอความอยากปุดปุ๊บสติรู้ทันปั๊บขาดเลยนะก็ไม่เพ่งแล้วการปฏิบัติก็จบลงที่รู้ทันความอยากแล้วความอยากก็ดับให้ดูแค่นั้นเองจบแล้วการปฏิบัติขอบคุณครับง่ายเห็นไหมเมื่อกี้ใครยกมือทางโน้นอ่ะเลขเบอร์นั่นอนะเบออะไรสี่ ห้า่ะชูมือไว้เขาจะได้เห็นส่งไม่ไปออกับนัวัชาการค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าออครั้งที่แล้วไปฟังท่านที่สาราลุงชินนะคะท่านบอกให้กำหนดพุดโทโธแนบไปกับจิตทีนี้ถ้าเราก็กำหนดไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมคะมกำหนดพุดโทโธนะไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งน ะ, ะกำหนดพุดโทโธเพื่อจะรู้ทันจิต กำหนดไปทุกๆขณะเออสร่างไปพุทโธพุทโธนะไม่ต้องรีบร้อนนะอย่พุทโธพุทโธพุทโธเมื่อไหร่มันจะหมดสะดีไว้พุทโธพุทโธอย่างงี้ไม่ได้เรื่องนะต้องสบายใจพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วใจเราแอบไปคิดแวบรู้ทันใจที่หนีไปพุทโธพุทโธสบายใจรู้ว่าสบายใจพุทโธพุทโธแล้วแหมใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธเรารู้จิตใจไว้ แล้วก็บางทีพุทโธไปแล้วแล้วก็ขาดตอนไปแต่ว่าจิตมันเกิดพุทโธขึ้นมาเองนี่หมายความว่ายังไงคะนั่นแหละดีแล้วมันเคยชินกับพุทโธแล้วจิตของเราชอบคิดแล้วเรื่องที่คิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกสังเกตไหมชอบคิดร้ายเพราะงั้นเราพุทโธไปเรื่อยจนมันชินกับการคิดพุทธโทค่ะอย่างนั้นไม่ตกนรกละอให้มันพุทโธไปแล้วใจของเราเป็นอะไรเราคอยรู้ สมาธิอย่างมันพุทโธขึ้นมาเองนะถ้าปัญญาเราแหลมคมพอเราจะเห็นเลยเออจิตมันพุทโธได้เองแฮะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันพุทโธได้เองอย่างนั้นเนี่ยเกิดปัญญาแล้วเห็นมันไม่ใช่ตัวเราทำไมมันถึงพุทโธขึ้นมาเองได้ล่ะคะมันเคยชินบางทีมันก็ไม่พุทโธนะมันเคยร้องเพลงเองไหมบางทีบางคนนะจิตมันร้องเพลงได้แถมร้องวัคเดียวด้วยเคยเป็นไหมร้องวัคเดียวอยู่เป็นวันเลยประสาจะกินนะ แต่มันลองพุโทโธไม่ประสาทเราพุโทโธพุโทโธไปจนใจของเรากับพุโทโธไปนันเดียวกันมันพุโทโธของมันเองนะพอพุโทโธพุโทโธไปใจของเราขยับไปยื่นเคลื่อนไหวเราครรู้ทันเอาแ้วงไงเ ร, เรื่องความเพียรเ น, นะะี่ยค่ะในการระลึกอยู่บ้านปกติจะขี้เกียจ น, นะคะถ้ามาวัดก็จะขยันก็มาวัดบ่อยๆนะคําว่าขี้เกียจนนะัเป็นคําที่แสลงใจหลวงพ่อที่สุดเลย บอกนี่ฉันโง่มันดูไม่รู้เรื่องเนี่ยพยายามแล้วไม่รู้เรื่องไม่ว่าสักคำเลยนะวันนี้จิตฟุ้งซ่านเนี่ไม่ว่าเลยดีขี้เกียจจังเลยแหมคํานี้น ะ, สะแสลงใจแ ล, แล้วก็ติดนั่งสมาธินะคะนั่งไปไม่เห็นว่าเป็นไรเลยค่ะนั่งแล้วก็รู้ทันจิตใจของเราไปนั่งแล้วจิตเราเคลิบเรารู้ว่าเคลิบนั่งแล้วจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติมีความสุข นั่งแล้วฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านดูใจนั่นเองอะนะจะนั่งสมาธิก็ดูใจจะพุทโธก็ดูใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอ น, น, อนก็คอยดูใจไปเรื่อยๆใจของเราเนั่นแหละพุทโธตัวจริงนะมีอะไรต้องแก้ไขอีกไหมคะถามให้น้อยๆแล้วดูให้เยอะๆกร <c oughs> านะขบขอบพระคุณอย่างสูงคน่อยข้างหลังใครยกมือเห็นแวบๆเมื่อกี้นี้ส่งไปกราบสมนมัสการหลวงพ่อครับ ก็มีผมมีเรื่องอยากกราบถามหลวงพ่อนะครับคือการปฏิบัติของผมเนี่ยก็นั่งสมาธิด้วยดูจิตด้วยนะครับแต่เหมือนมันตีกันยังไงไม่ทราบหลวงพ่อก็คือเวลาเราปฏิบัติสมาธิใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าอารมณ์หรือจิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างจิตเราจะรวมจะอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแต่เมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วนะครับอารมณ์มันค้างเป็นวันเลยครับหลวงพ่อจะทํางานจะอะไรบางทีมัน มันเผดมันติดนิ่งติดแช่แล้วก็บางทีติดสุกครับผมพ่ อ, อสัมผัสคือผมขอบอกคือผมมองไม่เห็นใช่ไหมครับอืสัมผัสที่ผมเหลืออยู่ก็คือเหลือแค่สัมผัสทางกายทางหูทางลิ้นทางจมูกผมจะเดินทางหรือทํางานต้องอาศัยสัมผัสที่เหลืออยู่อืมเมื่อสัมผัสอย่างกายผมเนี่ยบางทีถ้าผมไม่เพ่งนะผมก็จะไม่รู้ผมมีตัวอยู่นะครับแต่ถ้าผมเพง่งก็กลายเป็นติดเพง่งอย่างนี้หลวงพ่อจะทํายังไงดีครับ ในเวลาเราเดินทางนะจำเป็นต้องรักษาตัวให้รอดก่อนนะก็คอยรู้สึกเอาไว้อย่างที่เคยรู้สึกแหละระวัตระวังไว้แต่เวลาเราว่างๆไม่มีอะไรทํเนี่ยใจของเราทํางานตาเรามองไม่เห็นนะแต่ใจเราเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เท่าเท่ากับคนอื่นนั่นเองใจต่างหากเป็นของสำคัญจะลงนรกก็เพราะใจนะจะถึงมรรคถึงผลก็เพราะใจของเรานี่เองให้เรามีสติรู้จิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เดี๋ยวมันคิดไปอย่างนี้ก็มีความสุขคิดอย่างนี้กลุ้มใจให้คอยรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแล้วที่ทำลัดแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งสมาธินานนะนั่งนานแล้วใจมันค้างแล้วก็ให้ออกมาคิดให้ออกมาคิดที่เจราร่างกายไปสมมติว่าจิตมันไปติดสมาธิเฉยอยู่นะไม่ยอมเคลื่อนไหวเนี่ยให้ออกมาดูกายของเรานะนึกถึงเส้นผมเอามือจับดูซิผมมันสวยมันงามไหมนะเออ ใครรู้สึกมันไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างงานคือผมทําเป็นงานที่ต้องเพ่งนะครับหลวงพ่อบางทีเพ่งไปเราทําไปบางทีมันมันนิ่งไปเฉยอย่างเงี้ยครับมันขาดมันขาดสติหรือเปล่าแต่เราก็รู้ตอนนี้ไม่ไไม่ใช่ขาดสติเวลาทํางานนะสติไปจดจ่ออยู่กับงานสติจดจ่ออยู่กับงานจําเป็นในเวลาทํางานแต่เวลาที่เหลือเนี่ยถ้าจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันเช่นเราทํางานอยู่แล้วเราก็เกิดนิ่งไปเลยนะ นิ่งไปนานๆเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตมันนิ่งเกินไปแล้หรือเราทํางานแล้วเราเบื่อให้รู้ว่าเบื่อทํางานแล้วเครียดให้รู้ว่าเครียดทํางานแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหลวงพ่อครับขอกราบอินทเรียนถามอีกหนึ่งข้อนะครับคือช่วงนี้เวลาปฏิบัติสมาธิหรือเวลาถือนอนหลับไปเนี่ยความฝันเนี่ยเราเห็นเหมือนความคิดใช่ไหมหลวงพ่อใช่แต่เมื่อจิตเรารู้ตัวมารวมขึ้นมาหรือตอนนั่งสมาธิเองจะเห็นเป็นเป็นแสงสว่างมันสว่างจนมันรู้สึกมันแสบข้างในหมดเลยมันแสบมัน มันเป็นมันเป็นอะไรขอหลวงพ่อจิตมันมีสมาธิมันสว่างขึ้นมาพอมันสว่างขึ้นมาให้เราย้อนมาดูใจของเราใจของเราดีใจก็รู้ใจของเราสงสัยก็รู้ใจของเราเป็นยังไงก็รู้จำไว้นะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้ย้อนมาดูที่ใจของเราใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์ใจของเราโลภโกรธหลงใจของเราสงบใจเราฟุ้งซ่านหรือใจเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างไงอะไรเกิดขึ้นกลับมาดูที่ใจ แต่ว่าอย่าจงใจกลับมาเพ่งใจนะอย่ามาเพ่งจิตจิตมันมีความรู้สึกแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องเอาไว้ที่จิตกรา บ, บขอพระคุณหลวงพ่อครับเมื่อกี้เห็นทางนี้อ่าเบอร์74ช่ชูมือไว้ชูมือไว้นี่นั่นนะโยมที่บอกมองไม่เห็นนะใจแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมเออใจไปคิดแล้วก็รู้ทันนะเรามองไม่เห็นแต่ว่าอายตนะที่สาคัญที่สุดคือใจนะ ตาเนี่ยถึงคนตาดีพออายุมากๆก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแต่ใจนี่แหละฝึกเอาไว้ใจเราสว่างสวัยอยู่ได้ตลอดไปอ้างมาว่าไงวันนี้กายมันง่วงนอนนะคะอืแต่ว่าจิตมันไม่ง่วงแต่มันมันเหมือนกับมีอะไรที่หนูไม่เห็นแล้วมันมีอะไรเกาะอยู่แต่ว่าไม่มีน้ําหนักอยู่อีกทางหนึ่งแยกต่างหา ก, ก็ถูกต้องแล้วก็แค่นั้นก็พอแล้วรู้อย่า ง, งนะั้นเลย เห็นไหมทั้งหมดไม่มีตัวเราตรงไหนเลยดูสิตัวเราอยู่ตรงไหนดูไปเราภาวนานะเพื่อถอดถอนเพื่อละเพื่อทำลายความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรานะเราตั้งหลักตัวนี้ให้แม่นแม่นแล้วรู้ลงไปเลยอะไรเกิดขึ้นก็รู้ลงไปไม่เห็นมีเราตรงไหนเลยห้ดูลงไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ที่หนูรู้มันเหมือนกับรู้เสร็จแล้วมันไหลไหลมัน ก็ถูกแล้วนี่รู้แล้วมันเห็นมันไหลไปเห็นไมไม่ใช่เราไหลก็เห็นแต่สภาวะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ผิดใช่ไหมคะเออไม่ผิดเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นแต่ถ้าเห็นแล้วหลงยินดียินร้ายละผิดอย่างตอนนี้สงสัยรู้สึกไหมเนี่ยมันถูกหรือมันผิดวาเนี่ยลืมดูว่าสงสัยไงสภาวะทั้งหลายเป็นสิ่งมายั่วเป็นสิ่งมาเราเท่านั้นเอง จิตใจขอเราเกิดอะไรขึ้นหลังจากรู้สภาวะนะให้รู้ทันใจของตัวเอง mm hmm. นะคุณแต้มนีไปคิดแล้วคุณแต้มนะคุณตรงเลยเพ่งปึ๊กก็เลยนะถ้นะาให้ยกมือต่อยกมื อ, อคนนี้ยกไวกว่าแล้วคนนั้นถัดไปอยากจะถามหลวงพ่อเขาว่าคำว่าจิตรวมนี่เป็นอย่างไรคะ คงไม่เหมือนสลัดผักรวมเลยเนาะจิตรวมคือจิตมันตัดการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรหมดนะแล้วก็สงบลงไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวทางใจงงไหมสงสัยไหมสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเพราะว่าเคยไปปฏิบัติที่วัด มาเหยยงค่ะแล้วตอนสอบอารมณ์พระอาจารย์บอกว่าคือเคยส่งอารมณ์แล้วเคยเจอสภาวะนหนึ่งแล้วอธิบายให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์บอกอันนั้นเป็นจิตรวมหนูก็เลยยั ง, งงงอยู่ว่าจิตรวมมันเป็นยังไงอา้าวก็เป็นอย่างที่ท่านว่าสิแล้วเป็นอย่างงั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ค, คือดีใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ดีไม่เลยอะไรจิตเข้าไปพักผ่อนอ๋อมันหลบเข้าไปข้างในหรือเปล่าคะเออหลบเข้าไปนอนอยู่ข้างในเป็นนอนพักผ่อน แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ได้เร็วแต่ก็ไม่ได้ดีตรงกลางค่าไม่ไม่เร็วไม่ดีอะไรกลางกลางก็ดีกว่าจิตชั่วร้ายเร็วกว่าจิตที่มีปัญญามันมีแต่ความสุขความสบายเฉยเยในความสุขความสบายส่วนมากราคะจะแทรกด้วยจะพอใจเพลิดเพลินรวมแล้วพอใจนะเนี่ยอันนี้ไม่ดีละ ถามนิดนึงค่ะปกติที่หลวงพ่อแนะนําเรื่องการบริกรรมคำว่าพุโทโธหนูสงสัยว่าการบริกรรมการมีคําบริกรรมเนี่ยมันจะไม่เป็นการแทรกแซงหรือเปล่าคะแทรกแซงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็รู้พุโทโธบางคนรู้ลมหายใจบางคนรู้ท้องพองยุบบางคนรู้ร่างกายที่ยืเนเดินนั่งนอนแต่ละคนต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่งก่อนมีบ้านให้จิตอยู่ก่อน พอมีบ้านให้จิตอยู่แล้วเวลามีอะไรมากระทบมีอะไรมาเร้าจิตใจเคลื่อนไหวออกไปทํางานเราก็คอยรู้เอาแต่ถ้าเราไม่มีบ้านอยู่จิตใจจะล่องลอยไปหนีไปเรื่อยๆแล้วเรามองไม่เห็นเขาเรียกว่าจอนจัดจอนจัดคือจอนอย่างรวดเร็วมากเลยหนีไปทางโน้นหนีไปทางนี้แต่ถ้าเรามีบ้านอยู่สมมติเราอยู่กับพุทธโธเย่างแต่เราไม่ได้ไปติดคุกนะ ถ้าพุโทโธแล้วก็ห้ามจิตเคลื่อนไหวไปที่อื่นอย่างนี้เรียกว่าติดคุกแต่ถ้าพุโทโธแล้วจิตเรามีธุระจิตแอบไปคิดเนี่ยเรารู้ว่าจิตไปคิดเนีเราจะรู้ทันมันแค่แค่เรามีอะไรเป็นตัวตั้งไว้อันหนึ่งก่อนอันนี้ตั้งไว้จิตเราวิ่งไปที่นี้เราก็รู้จิตเราวิ่งหนีไปที่อื่นเราก็รู้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรตั้งไว้เลยนะจิตจะล่อนเร่นเนี่ยมันไม่มีเครื่องสังเกตดูยากนิดนึง่งงั้นเบื้องต้นท่านถึงบอกว่าให้มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อน ก็คือมั น, เ ป, นเป็นอุบายผูกจิตเป็นอุบายไม่ใช่อุบายผูกจิตถ้าอุบายผูกจิตเป็นเรื่องสมถะผูกไว้ไม่ให้ไปที่อื่นนี่เรียกว่าสมถะอันนี้เป็นอุบายตั้งเครื่องมาเป็นแคยๆแลนด์มาร์กอะไรตัวหนึ่งนะเครื่องสังเกตแล้วก็จิตใจของเราเคลื่อนผ่านจุดนี้เราก็จะรู้มากไปน้อยไปยมันจะดูง่ายถ้าไม่มีเครื่องสังเกตเลยนะมันจะดูยากนิดหนึง่งแต่ น, นี้เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นเบื้องต้นใช่ไหมคะใช่ใช่แต่แต่ ถ้าปฏิบัติโดยไม่มีคําบริกรรมจะดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนอาจารย์มหาบัวบริกรรมจนถึงขีดสุดเลยจริตนี้ใส่คนไม่เหมือนกันนะงั้นต้องถือหลักอย่างนี้นะว่าไม่มีการภาวนาหรือการปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดมันมีแต่วิธีที่เหมาะกับคนแต่ละคนเท่านั้นแหละเพราะเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าการมีคําบริกรรมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกัน้นเพราะมันเป็นบัญญัติอารมณ์ใช่ แต่ว่าเราไม่ได้บริกรรมเพื่อรู้คำบริกรรมไงเราบริกรรมเพื่อรู้ปรมัดอารมณ์คือรู้จิตเราพุโทโธไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้อยู่กับพุโทโธแต่เราพุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตเลยนะจิตจะนีไปนานนานกว่าจะรู้สึกตัวได้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธอยู่แอบนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราจะรู้ทันจิตที่หนีไป การที่รู้ตัวจิตที่หนีไปเนี่ยรู้อารมณ์ประมัดคาว่าพุทโธเป็นบัญญัติเป็นแค่เหยื่อล่อเท่านเป็นอุบายอุบายสำหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนต้องทำบางคนรู้ลมหายใจถามว่ารู้ไปทำไรอ่ะส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งลมหายใจก็เป็นสมสถะเหมือนกันแหล<น>ะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ปรมัดนะรู้ลมหายใจก็ไปรู้แบบไปเพ่ง รู้อาร ม, รมาณ์ปรมัตัยแบบเป็นวิปัสสนาไม่ใช่แค่มีสติรู้อาร ม, รมาณ์ปรมาทัยต้องมีปัญญารู้ลักษณะด้วยงั้นพวกเราผูต้ตรงๆน่าเกือบทั้งหมดอะติดสมถะกระทั่งคนที่บอกว่าจะรู้รูปนามคนที่บอกจะรู้รูปนามจะทําวิปัสสนาเกือบทั้งหมดนะเพ่งรูปเพ่งนามคือสมถะอย่านึกว่ารู้รูปนามแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไป วิปัสนาเนี่ยเลือกอารมณ์ถ้าจะทํำวิปัสนาต้องรู้รูปนามจะไปรู้บัญญตัติหรือรู้นิพพานไม่ได้แต่ถ้าจะทําสมถะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์บัญญัติก็ใช้ได้อารมณ์รูปนามก็ใช้ได้อารมณ์นิพพานก็ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างเรานั่งเพ่งลมหายใจหรือดูท้องผองยุบแล้วจิตจับอยู่ที่ท้องลูกเดียวนะจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรจับสงบนิ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมถะ จะเป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นะ ม, มีเงื่อนไขต้องเห็นไตรลักษณ์ลําพังการเห็นอารมณ์รูปนามเรียกว่ามีสติไปรู้อารมณ์รูปนามยังไม่เป็นวิปัสสนาต่อเมื่อเห็นรูปนามนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นได้แล้วถึงจะเป็นวิปัสสนามันไม่ตื้นนะมันไม่ใช่แค่ว่าไปเพ่งจ้องรูปนามแล้วบอกว่าทาวิาาปัสสนาสังเกตไหมพวกที่จ้องรูปนามอะ เกือบทั้งหมดใช่ไหมจ้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดปิติขึ้นมาเดี๋ยวตัวลอยตัวเบาตัวโครงรู้สึกบู้บู้บาบๆรู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกสว่างขึ้นมารู้สึกเสียวแปรบบแปรบบแบบขึ้นมานะอาการของสมถะทั้งนั้นบางคนตัวหนักบางคนรู้สึกตัวใหญ่เป็นภูเขาเลยเนะี่อาการของสมถะทั้งนั้นนะไปเพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะ รู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั่นแหละถึงจะเป็นวิปัสสนาพระอาจารย์เแสดงว่าถ้าเป็นวิปัสสนาจริงๆแล้วจะต้องไม่เกิดนิมิตเลยไม่มีนิมิตตรใดถ้าเกิดนิมิตแสดงว่ามันเป็นอารมณ์ของสมถะสั้นๆ น, นะทันทิพย์ไม่เล่าเรื่องอื่นนะชอบเล่าเรื่องที่ทํางานอะไรๆนะน <c oughs> นะถามทําไมอะไรๆก็รู้เยอะแล้ว เราดูของเราไปเรื่อยๆ <S <S อา้าวให้ถามรู้สึกว่ามันนี่เหมือนคนอื่นเขาค้ารู้สึกว่ามันดีมันมันโป่งโล่งเบาสบายแล้วก็ใครเข้ามาหาเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออแบบเขาจะเข้ามาเขาจะคุยแต่ในเรื่องที่มันมีสาระมันมีประโยชน์ไม่ใช่เรื่องทางโลกแล้วก็มันไม่เห็นเหมือนคนอื่นที่นั่งอย น, นี้เลยก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงเรามันแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าต่างที่ต่างจิเราติดสมถะ นะจิติตสมถะนะรู้สึกไหมมันเหมือนมีสภาวะอันหนึง่งแล้วจิตเราไปค้างอยู่ในสภาวะอันนั้นคือจะบอกจะจ ะ, จะเรียนท่านว่าตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าไปตั้งแต่บอกว่าเริ่มทำเริ่มเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอย่างเงี้ยค่ะทั้งก่อนและก่อนและหลังไปทำงานก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ก่อนไปทำงานรู้สึกว่าตัวเองแบบ ดีขึ้นมากมากไหมว่าจิตมันปลอดโปร่งขึ้นมากแล้วก็แต่ว่าพันธิประวังนิดนะอย่าให้มันค้างอยู่กับความปลอดโปร่งนี้มันเหมือนกับมันทรงอยู่ทั้งวันเลยตัวนี้มันติดมันติดให้ปล่อยตัวนี้ซะดูบอกไหมแต่ว่าเวลาทํางานก็ก็ไม่ได้ดูงเวลาทํางานไปจดจ่อทำงานแล้วปรากว่าพอคือมันจะเครียดมากเพราะว่าที่ทํางานมันไฮเทคโนโลยีเอาอีกแล้วพูดที่ทำงานอีกแล พรชีวิตมันมีแค่สองอย่างไม่เที่ยงการกัตถิบาเอออย่างดีไม่มีที่เที่ยวเยอะแยะดีเสร็จแล้ว <S 2> <S 2> <S ก็พอมันมีปัญหามากๆมาสเตรสเรามากๆเนี่ยมันวาบเข้าไปแล้วทําให้ใจมันนั่นมากเลยค่ะแล้วก็เออปุ๊บหนึ่งก็มันคือมันไม่หลงนานมันก็ปุ๊บขึ้นมาว่าโอ้ยถ้าเราตายไปก่อนยังใส่ปัญหาก็ยังอยู่แหละก็เลยเหมือนกับว่าไมื่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่ารู้สึกว่าไม่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าปฏิบัติดีขึ้นมาแบบ เอ็กตรีดีขึ้นมาแบบว่า Extreme มันดีขึ้นมาแบบว่าดีขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพร้อมที่จะปฏิบัติที่เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้มสมาธิเกิดขึ้นตลอดเวลา<ม>ที่ไหนที่ไหนเมื่อไหร่เพื่อแค่บางทีเรื่องพระเจ้าตากมองเห็นศพลอยน้ำเนี่ยปุ๊บมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแบบเห็นเลยว่าโอ้ตายล่างนี่ขนาดสวยแค่ไหนก็นอนตายคอขาดตายกันหมดเลยนะ<ม>อย่าว่าแต่เราเลยสักวันอะไรงี่ยเราก็ คืออะไรมันก็กลายเป็นมลมาลานสติไปหมดมองไอ้นี่ก็เป็นไอ้นี่มองคือมันกลายเป็นจิตมันไปค้างอยู่ในสมถะนะถ้ามันขึ้นวิปัสสนามันจะไม่ได้เห็นเป็นศพเป็นอะไรมันจะเห็นก้อนธาตุเห็นธาตุไม่มีโศกปรกด้วยนะโศกปรกปฏิกูลอะไรเนี่ยไม่ใช่สภาวะจะเห็นแต่ว่าเออเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่มีคนมีสัตว์แล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นก้อนธาตุเหมือนกันแต่ในหนังมันก็ไม่สกรปรกนะคะ ม, มันก็มันก็แต่พันธุ์ที่ระวังนะอย่าให้ใจไปติดค้างๆในความนิ่งๆอยู่นะปล่อยออกมาให้หมดมันยังไม่หมดแล้วทำไงถึงหมดคะฮะพูดยากยากนะตัวเนี้ย <c oughs> แก้ยากที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> ใจมันไปติดสมาธิมันจะนิ่งๆ น, นะรู้สึกไหมมันมีนิ่งยื น, ยนพื้นอยู่ตัว เดี๋ย้ามันฟุ้งมันก็กลายเป็นกระจายเอทีีน้ท่านก็สอนว่า่าสังเกตไหมตอนที่มันฟุ้งเนี่ยแล้วเรารู้ว่าฟุ้งนะอย่าไปดึงคืนมาอย่าไปดึงกลับมาตอนนี้จะเริ่มเห็นจิตที่ผ่านไปมากขึ้นคือมองอุมันกระดับเกิดปุ๊บอี้ดับอีกละเกิดปุ๊บแต่ว่าท่านสอนว่าเวลาที่จิตฟุ้งเนี่ยให้ให้ให้พอปุ๊บเนี่ยมันหยุดเลยอมันหยุดเสร็จปุ๊บมันก็เห็นละอ่ะจิตมันวับไปละ มันเหมือนเราขับรถยนต์อะรถวิ่งเร็วไปนะเราแตะเบรกแต่พันธิปแตะแรงไปรถหยุดกึกเลยแล้วจะแตะยังไงอะฮะแต่เบาๆหนะ่อย <c oughs> คือเนี่ยสังเกตไหมตอนที่ใจเราฟุ้งไปอะพอเรารู้ปุ๊บมันเหมือนเราไปดึงตรงนี้ไม่ดึงเปลี่ยนใหม่แต่ไปนี้พอรู้ว่าใจฟุ้งนะรู้ว่าฟุ้งแล้วจบแค่นั้นเลยอย่าดึงคืนมามันจะพอดีมันพอดีอยู่แค่รู้ แต่หลังจากรู้เนี่ยพอเราลงมือทํำคือการดึงเอาไว้เนี่ยอันนี้เกินฟุ้งก็ปล่มันฟุ้งไปนะไม่ใช่ฟุ้งรู้ว่าฟุ้งไม่ใช่ฟุ้งปล่อยให้ฟุ้งนะฟุ้งรู้ว่ามันฟุ้งพอทันทีที่รู้ว่าฟุ้งแล้วจิตเราเป็นกลางเนี่ยมันจะสงบมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติอยู่แล้วนี่เรายังกลัวฟุ้งอีกเราไปดึงเราไปออกแรงดึงไว้เหมือนเราไปเหยียบเบรกเหยียบปึกเลยมันกลตั้งมั่นเร็วกันไปเร็วไปมากไปตั้งตั้งให้มันชะลอลงเท่านั้นแหละไม่ใช่หยุดฝึก หยุดกึกเลยไม่ได้หรอกนะหยุดแรงไปอย่างนั้นมันก็ไม่สบายอย่างเงี้ยสิคะนนอะไรนะ จ, นจิตมันก็ไม่สบายอย่างเงี้ยเราไม่ได้เอาสบายเ อ, อ้เอาวใครจะยกมือต่อไปอคนนี้คนนี้ทางนี้ยกก่อนแล้วคนนี้ต่อมาเดี๋ยวจำไว้นะคนที่ใส่แว่นตาเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ต่อ ไม่ยอมขยันขยันเรียนนะหลวงพ่อ น, นักเหนื่อยทุกวันเลยดีใจมากค่ะที่<ม>ได้มีโอกาสได้ได้คุยกับหลวงพ่อะ<ม>ตั้งแต่ภาวนามานี่นะคะก็รู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้ น, น ะ, ะทุกข์ก็น้อยลงเป็นสุขมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังรู้สึกภาวนาไม่ได้ดีนะคะลืมตัวบ่อยแล้วก็เผลอนา น, นะคะ่ะ เ, เผลอนานไม่ดีนะาจริงถ้าลืมตัวบ่อยมันจะไม่เผลอนานอะ เพราะว่ามันบ่อยนะมันก็แวบมันก็รู้สึกแวบก็รู้สึกนะก็จะทำยังไงให้มันแวบแล้วรู้สึกก็ยังทำไม่มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้นะถ้าทำได้มันจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาเราค่อยๆหัดรู้หัดดูของเราเรื่อยๆเดี๋ยวมันขี่ขึ้นเองถ้าจิตมันจำสภาวะได้แล้วมันจะรู้ได้ไวขึ้นไวขึ้นขอบพระคุณมากค่ะว่าไป คืออยากจะถามว่าในการที่เราจะดูจิตเนี่ยค่ะคือจำเป็นไหมที่เราจะต้อง เ, อ เ, อเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะให้ไปถึงทางแห่งการพ้นทุกข์อะค่ะเราเป็นคารวาสนะค่ะไม่จำเป็นหรอกแต่อย่ามั่วซั่วเท่าะนั่นแหละมีศีลห้าแค่นั้นพอละไปได้ละแค่มีศีลห้ามีผู้หญิงหลายคนนะกลุ่มใจ มาฟ้องหลวงพ่อว่าอยากจะประพฤติพรหมจรรย์สามีไม่ร่วมมือเนี่ยหนูจะผิดไหมกังวลใจด้วยนะกลัวผิดบอกผิดสิผิดหน้าที่นี่มีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปสิแต่ว่าการภาวนามันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอย่างนั้นการหัดประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเราอาจจะขอเป็นวันๆคนโบราณเขาฉลาดนะอยู่ๆเขาไม่ได้ประพฤติเลยหรอกเขาหัดเป็นวันๆ พอถึงวันพระทีหนึ่งเขาถือศี8ล8ปอะไรเงี้ยก็คือการหัดประพฤติพรมจันท ร, ร์เป็นระยะระยะไปฝึกทำให้ใจเข้มแข็งมากขึ้นการประพฤติพรมจันท ร, ร์เนี่ยจำเป็นสำหรับการภาวนาในขั้นประณีตขั้นละเอียดในขั้นโสดาสกิทาคาเนี่ยแค่ศีลห้าพอแล้วไม่ต้องศีลแปดแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปนะถือศีล8ดเนี่ย มันคล่องแคล่วกว่าการภาวนาจะคล่องแคล่วกว่าถือศีลห้าการจิตใจมันไม่คล่องตัวเท่าแต่ว่าในขั้นเบื้องต้นเนี่ยศีลห้าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยศีลห้าพอแล้วงั้นเราก็เรียกว่าเราภาวนาตามกําลังของเรามีหลายคนนะเคยมาร้องทุกข์กับหลวงพ่ออยากมาพึพ่งพรมจันทร์ เ, เราไปแต่งงานกับเขาทำไมล่ะ อย่าเพิ่งก็ไปชวนเขาสินะค่อยๆกล่อมเขาก่อนทีแรกเราก็คล้อยตามเข้าไปก่อนค่อยๆชวนเขานะให้เขาหัดภาวนาไปทีหลังเขาก็เบื่อไปเองแหละเห็นหน้าอย่างนี้ทุกวันก็เบื่ออยู่แล้วละ่ะงั้น อ, อ, อีกคําถามนะะึ่งค่ะคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วได้มาฟังที่สารานุชินแล้วก็มาฟังที่นี่รู้สึกว่าบางบางทีมันก็พรู้สึกตัวว่าอย่างอย่างตอนนี้ก็รู้สึกตัวว่ากำลัง ตื่นเต้นแล้วก็กลงออังสงสัยถูกต้องก็ดีแล้วนะให้เรารู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆเราจะเห็นแม้เราไม่ได้เจตนาตื่นเต้นมันตื่นเต้นเองดูออกไหมเนี่ยเราจะดูใจของเราจกนกระทั่งรู้เลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองทั้งวันทั้งคืนเลยนะดูไปดูไปตัวเราหายไปตัวเราไม่มีคนะำว่าตัวเราจริงๆเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมนะแค่นี้ แค่รู้ว่าหนีไปคิดก็พอแล้วสงสัยแล้วทราบไหมเ<ฆ>นี่ยมันงงขึ้นมารู้ไหมงงก็รู้ว่างงอแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมงงอีกแล้วทราบไหมเนี่ยหัดดูไปอย่างเงี้ยน ะ, ะส่งไปคุณแต้ ม, ตมหลวงพ่อคะออย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ปฏิบัติกันนี่ก็ยังไม่เลี้ยวขึ้นวิวปัสนาญาณใช่ไหมคะ ก็ถ้ามาเรียนที่นี่ส่วนมากขึ้นนะขึ้นเหรอคะขึ้นอย่างรู้นามรูปเฉยๆนี่ถือว่ า, ถ, าถ้าไปเพ่งนามรูปเนี่ยไม่ขึ้นวิปั ส, สนาถ้ า, ถารู้นามรูปนะแล้วเราจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยขึ้นวิปั ส, สนาเห็นเป็นใจลักเห็นไใจลักงั้นไม่ยากหรอกนะไม่ยากอะไรจริงๆแล้วการภาวนาในขณะที่เราดําเนินอยู่นะมันไม่มาเรียกคําว่าวิปัสนาให้ฟังหรอกมันไม่พูดคําว่าไตรลักษให้ฟัง อางหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อก็ดูจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีคําว่าใจรักอะนะดูไปเรื่ อ, อ, อยๆมันเป็นยังไงมันเป็นงไงแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะไม่ได้เหมือนกันเลยข้านะดูความเปลี่ยนแปลงเนี้ ย, ล, ยลืมคําว่าวิปัสสนาลืมคําว่าปฏิบตัติลืมใจรักไม่มีเลยสักคาเดียวนะเห็นแต่สภาวะที่กําลังปรากฏต่อหน้าแล้วก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นเท่านี้เองเห็นถ้ามันเห็นจนมันพอแล้วเนี่ยจิตมันจะสรุปเอง เวลาที่เขาสรุปเขาก็ไม่พูดคาว่าใจรักด้วยมันเข้าใจขึ้นมาเลยพอ เ, เข้าใจเสร็จแล้วจิตถอยออกมาจากสมาธินะตอนที่เข้าใจมันอยู่ในสมาธิจิตถอยออกมาเนี่ยตัวนี้มันถึงจะเกิดคําพูดขึ้นมาตรงที่ปัจเจกขณะยานเกิดขึ้นมันจะทบทวนพิจนารณาไม่เกิดทีหลังเกิดเป็นภาษามนุษย์ขึ้นมาทีหลังเห็นสภาวะก่อนเข้าใจสภาวะแล้วภาษามันค่อยเกิด สึกควาเป็นตัวตนนี้มันถอดถอนยากเหลือเกินถอดถอนยากเพราะว่าเราถอนไปแล้วก็ดันเข้าไปอีกนะเหมือนเราโดนเสี้ยนตําน้ําตํานะดึงออกมาหน่อยก็เสียบเข้าไปอีกนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ดึงออกมาสักทีเดียวยึกจักยึดจั๊กไปเลือยนะ <c oughs> เหมือนเรามีน้ําเน่าอยู่ตุ่มหนึ่งนะเราเติมน้ําดีลงไปเรนะื่อยๆถ้าเราขยันเติมน้ําดีไปเรื่อยนะวันหนึ่งน้ํามันก็สะอาดในตุ่มนี้ นี่เราเติมน้ำดีไปสามปี๊บเติมน้ำเน่า อ, อ, อีก10ปิ๊บอะไรเงี้ย <c oughs> คือทุกครั้งที่เราขาดสติเราก็เติมความเห็นผิดลงไปทุกคราวที่มีสติมีปัญญาขึ้นมาเราก็เติมความเห็นถูกลงไปงั้นเราไม่ได้ทำข้างเดียวเราทำสองด้านส่วนในความเห็นจิตเก่าก็สะสมมาเนิ่นนานแล้วสุดท้ายนะมันทุบตุ่มน้ำจริงนะแหล โอ้เติมน้ำจนน้ำใสทั้งตุ่มเลยนะถีบตุ่มนี้จริงไปประหลาดธรรมะนะมันแปลกประหลาดไปอีกเรื่องหนึ่งเลยมันนึกไม่ถึงครับนมัสการหลวงพ่อค่ะเออคือสมมุติว่าอย่างเราในชีวิตประจำวันเราทำสวดมนต์ไหว้พระปฏิบตัติดูจิตแล้ว เ, เกิดว่ามี เราอยากที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าบางคนเนี่ยชอบที่จะทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรคือซื้อซื้อบุญสมมุติว่านะคะเออถ้าเกิดมีคนเข้ามาขอให้เราทาอย่างเงี้ยค่ะเกิดสร้างเมนเผาศพสร้างสาราอะไรคืออยากให้เราไปทำกะถินผ้ป่าอะไรอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องทำแค่ไหนอย่างไรคะพอใจจะทำก็ทำนะเห็นประโยชน์ที่จะทาก็ทาไม่เห็นก็ไม่ทา อย่างบางวัดมีเมนอยู่แล้วอยากจะทําใหญ่ๆสวยๆเพื่อจะเพิ่มลูกค้านี้ก็ไม่จำเป็นนะแล้วถ้าเกิดว่า เ, ออเขาขอที่เราพระขอที่เราต้องทำไหมคะไม่จำเป็นพระขอไม่ได้นะเราไม่บาปเลอคะ่ะไม่บาปพระอะไรบาปเลคะพระนะอยู่ๆไปขออะไรใครเขาไม่ได้นะถ้าเขาไม่ได้ปรนนารเขาไม่ใช่ญาติ อ, อยู่ๆหลวงพ่อไปขอข อ, ขอตังค์เลย ขอไม่ได้นะอยังสมมุติว่าเดินเดินไปผู้ร้ายมาปล้นเอาสบองจีวรไปหมดเลยกลายเป็นชีเปลือยอันเนี้ยท่านให้ขอได้ขอผ้าได้แต่ได้ชิ้นเดียวเอ ง, องนะท่านเข้มงวดกวดขันนะพระขี้ขอไม่ได้นะพระพิคุไปว่าผู้ขอไปไม่ใช่ขอด้วยความโลภหรืออย่างพวกเราบางคนพลาดพลั้งไ ป, ปวา ร, านรวานาภารณาไม่ได้บอกว่าภาว น, น, นานแค่ไหนอะไรเงี้ย บอกว่าท่านต้องการอะไรขอให้บอกเนี่ยมันมีอายุสี่เดือนนะไม่ใช่เดี๋ยวปรนนาว้แล้วพระก็ถ่ทุกเดือนเลยเดือนละห้าหมื่นผ่านมาสิบปีละอะไรเงี้ย <c oughs> พอจะไม่ให้ก็บอกตกนรกนะปรนนารนาแล้วนี่แหละรู้เลยใครตก <c oughs> อย่างคนมาปรนนาหลวงพ่อเยอะนะใครมาปรนนากับหลวงพ่อเนี่ยได้บุญ บุญฟรีด้วยเพราะไม่เคยเรียกร้องเอาเลยถ้าท่านต้องการอะไรอันนี้อันนี้ขอให้บอกนะสาธุอมตนาสาธุเสร็จแล้วลืมทันทีเลยจำไม่ได้หรอกใครมาปรรนาอรายนะงั้นได้บุญฟรีไปแต่ระวังนะอย่าปรนนาสุม 4, สี่รุมห้าต้องระมัดระวังนะเวลาปรณนาก็มีลิมิตด้วยมีลิมิตด้วยเวลาบ้าง ด้วยขอบเขตปัจจัยบ้างอะไรเงี้ยต้องมีลิมิตนะควรจะทำไว้เพื่อความรัดกุมมีผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักคุ้นเคยกันดีตอนหลังนี่เกลียดพระเลยไม่อยากเข้าวัดเลยไปพรนนากับพระองค์หนึ่งไว้ท่านไปไหนขอให้บอกแนละ้วจะจัดรถมาให้เป็นรถเบนซ์นนะรถถ้ารถไม่เบนซ์ไม่ชอบนะเราไปเที่ยวทั้งวันเลยเดี๋ยวจะไปโน่นเดี๋ยวไปนี่เขาไม่ได้นิมนต์ก็ไปไ ป, ไปเรื่อยๆไปเล ย, เ, ลยเที่ยวไปเรื่อยๆนะ นี่แกก็กลุ่มใจว่าพระน้าเกลียดเอากลายเป็นพระน้าเกลียดอีคนหน้าเกลียดคนเดียวเองอ่ะบอกว่าพระทั้งหมดหน่าเกลียดอ่ะมีอะไรอีกไหมมีใครจะยกมือไหมอ่ะเบอร์สิบเก้าหลวงพ่อนะครับคือตอนนี้หยุดยังยังตื่นเต้นอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยากถามว่า เวลาเวลาที่ภาวนาครับอาจจะอีกอีกสักครู่ครับคือตอนตอนนี้เวลาคุยกับหลวงพ่อมันจะตื่นเต้นนะะแต่เวลาภาวนาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจิตมันรู้ถึงฐานเนีหยครับยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ถึงใช่ไหมฮะครับมันกระจายใช่ไหมอยู่แต่ตอนยังไม่ได้คุยกับหลวงพ่อยังไม่ถึงดีก็ยังไม่ถึงจริงใช่ไหมครับแต่นิดเดียวขาดอยู่นิดเดียวใช้ได้แล้วถือว่าอยู่ในจุดที่ใช้ได้ดูเรื่อยๆไปครับผมมันกําลังมันไม่ตั้งมั่นไปนิดหนึ่งครับ ครับน่าจะเพิ่มสมถะหรือป่าครับอย่าเพิ่มเยอะนะอย่าเพิ่มเยอติดสมถะหลวเพ่อต้องนั่งแก้แก้ยากสมถะอันเราแล้วผมก็รู้ว่ามันอรู้ตามใจว่าใจเรามันเข้ามาไม่ถึงฐานของมันจริงจริงมันเหมือนรู้อยู่นอกนอกรู้สึกไหมใช่มันรู้อยู่นอกนอกมันไม่เข้าที่มันนิดเดียวครับนิดเดียวขอบพระคุณมากครับอะมีใครอีกไหมไอคนนี้ถามไปอย่างเนี้ย หน้าตาคุณคุณอะส่งมา น, นี่นี่เดี๋ยวค่อยไปโน้นหนูอยากถามเกี่ยวกับคําว่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะ เ, เคยไปฟังอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกยอะเอ่ยชื่อนะค่ะคะที่สอนเกี่ยวกับพระอภิธรรมอะคะ่ะบอกว่าคําว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจริงๆแล้วว่าเหมือนกับมันจริงๆคือชนกกรรมชนะกรรมชนกกรรม ค, คือเหมือนกับ ค, คนทั่วๆไปจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าพอเราทําใครไว้คนนั้นจะมาตามล้างแค้นจริงๆแล้วจริงๆแ ล, แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่คือกรรมของเรานี่แหละเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงตัวกรรมที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเรานี่นะภาษาแขกเพรอะๆ เ, เลยเรียกชนกกรรมชนกที่เป็นพ่อคือกรรมที่ทําให้เราเกิดมาเป็นอย่างนี้ งั้นบางคนทํากรรมมาดีเกิดมาเคยถือศีลมาก่อนเกิดมาสวยเนี่เคยทําทานมาเกิดมาร่ารวยอะไรเงี้ยเนี่ยมีชนกกรรมที่ดีส่งผลมาแต่อันนี้เป็นของอดีตไม่สําคัญเท่าไหร่สําคัญคือกรรมปัจจุบันต่างหาพอสวยแล้วทําชั่วนี่ไปจีบเมียชาวบ้านหรือหล่อแล้วจีบเมียชาวบ้านรวยแล้วก็ใช้ทรัพย์สินเบียดเบียนคนอื่ น, น, นเอาพื้นฐานที่ดีไปทําชั่วอย่างนี้ก็มี บางคนมีชน ก, กรรมเกิดมายากจนแต่ทํากรรมดีขยันทํามาหากินรู้จักดํารงตนอย่างดีนะไม่ครอบคนเกเรอะไรเงี้ยร่ำรวยขึ้นมาเพราะชนกกรรมมันแค่ส่งผลมาเจ้ากรรมในเวรมันแค่ส่งผลให้เราต้องเจอปรากฏการ์ต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อเราเจอปรากฏการ์แต่ละอย่างแล้วเนี่ยเราต้องทํากรรมปัจจุบันที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปฝากชีวิตไว้กับเจ้ากรรมในเวรในอดีตนะถามว่าอย่างเราไปตีหัวคนหนึ่งหัวแตกไปเนะี่ย มันจะต้องมาตีหัวเราไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยไอ้เจ้ากรรมนายเวรของเราอาจจะตกนรกอยู่ตอนนี้แต่คนอื่นมาตีเนี่ยใช่ไหมไม่จําเป็นต้องคนเก่าหรอกงั้นไม่ต้องไปติดศินบนมันนะแค่ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปนะให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเรามีเจ้ากรรมนายเวรมันก็มีตัวกูผู้รับกรรมรับเวรอีกแหละเราภาวนาจนไม่มีตัวเราแล้วเจ้ากรรมนายเวรมันจะไปยุ่งกับใครก็ช่างมันไปเลย แต่มีเหมือนกันนะอย่างผีอาฆาตอนะไรนี้ก็มนะีแต่ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวงมงายต้างเล่าหน่อยก็ได้ไหมอยากฟังตั้งเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักผู้หญิงคนหนึงแกเป็นจ่าแต่ตอนแ ก, กเกษียณได้เป็นในร้อยเป็นจ่าอยู่กออรมานอชื่อชวนชื่นตอนแกสาวๆเป็นเด็กสาวๆนี่ยแกไป ทอดกรถินรู้สึกย่ยวัดป่าเรไ ร, ไรทางสุพรรณเรือ่องเดวจำวัดไม่ได้นะเดียววัดเขาเสียหาย จ, จำวัดไม่ได้แม่นนะขณะที่เขากำลังทำพิธีอะไรอยู่แก่ถูกผีสิงจะถูกผีสิงผีบอกจะต้องเอาชีวิตแกให้ได้ น, ะนีพวกญาติโยมก็ไปตามพระมาเจรจานะว่าทำไมจะต้องไปฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยออาฆาตมานานละอาฆาตมานานลว ชาติก่อนๆเ น, นี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีไอ้ผีตัวนี้เป็นผู้ชายนะเป็นทาตมวันนึงไปแอบดู้าอาบน้ำไปแอบดู้าอาบน้ำํำพอผู้หญิงนี้รู้เข้าไปฟ้องพ่อเนี่ยจับมาเคี่ยนซะตายเลยตายแล้วก็เอาศพมาฝังอยู่ที่ต้นพิคุลข้างบ่อนี่แหละศพยังอยู่ฝังอยู่ที่นี้เขาเลยตั้งปณิธานเขาจะต้องฆ่าผู้หญิงคนนี้ต้องกินเลือดผู้หญิงคนนี้ให้ได้เดี๋ยวอีนางเนี่ย มันอาบน้ำไม่ระมัดระวังเนี่เราไปเห็นนะมันมีปานที่ขาด้วยชาตินี้มันก็มีนะมันเปิดโปงด้วยนะผีค่อนข้างจะผีลา ม, มกจริงๆอะ่นะทีนี้สายเดิมชอบดูก็ดูอีกอะ่ะนะเสร็จแล้วก็ไปขุดนะเจอกระดูกมันด้วยถูกโซ่มัดไว้ด้วยนะสมภารท่านก็เจรจาบอกว่าให้เขาทำบุญอะไรให้ก็ละกันะอย่าไปอาฆาตเขาเลย ผีมันก็บอกว่าต้องเอาเลือดมาสังเวยมันนะดีมีหมอคนหนึ่งเขาก็ดูดเลือดอ่ะไปฉีดใส่กระดูกมันนันก็ออกแต่มันมาคอยหลอกเรื่อยๆเวลามันจะมามันจะมาตอนเย็นๆโฟล์เเพร์บรรยากาศจะว่องเวงว่งเวียงมันจะหลอกเวลามามนจะแกล้งแต่หลวงพ่อไม่ได้ถามนะว่ามันแกล้งยังไงแกไปเก๊กกลัวที่สุดเลยก็ภาคเพียนน่ะทำบุญใส่บาตรทุกวันทุกวันอุทิศให้มันทุกวันเนึอยู่มาหลายปี วันหนึ่งมันมาหาเรียบร้อยมาแล้วมันบอกมันพอใจล้วมันจะไปเกิดแล้วมันไม่อากาติแล้วมันก็เลยหายไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยชอบทําบุญนะบทําบุญชื่อส่วนชื่นรู้นามสกุลด้วยแต่ไม่ได้ขอรนุญาตเขาเลยไม่ได้บอกนะคุณทอเรียงพิบูรณ์เคยสัมภาษณ์เอาไปเขียนเรื่องนี้ยมันไปเจอตัวแกเขาก่อนอยู่ทํางานด้วยกันแบบนี้ก็มีเหมือนกัน แต่ว่าอย่าเอามันมาเป็นเจ้าหัวใจเรานะเห็นไหมเขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการทําอะไรเลยเขาแก้ปัญหาด้วยการสร้างความดีในปัจจุบันเขาทําบุญเขาทําทานเขาอะไรอย่เงี้ยของเขาไปด้วยนะเพราะฉั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะสร้างความดีไว้ความดีช่วยคุ้มครองเราบุญกุศลแลีติดตามคุ้มครองรักษาเราไปเส้นทางเดินในสังสารวัฏยาวไกลที่สุดเลยระหโกระเหินที่สุดน่ากลัวที่สุด มีโอกาสชาตินี้ได้สร้างคุณงามความดีนะทำให้เต็มที่นะอย่าทำแบบยึกยักยึกยักทำยึกยักนะอเมื่อไหร่มันจะจบจบไปอ่ะได้อีกคนหนึ่งเชิญคนสุดท้ายคุณผู้ชายคนแก่ก็เงี้ยนิทานเยอะนะกลับมาละกันหลวงพ่อครับก็ผมมาจากจังหวัดเลยครับเป็นครูผมติดตามหลวงพ่อตั้งแต่ยังมาในบวช อ่านหนังสือแล้วก็ฟังธรรมะจากซี ด, ดีครับผมวันนี้ที่มาต้องการมามอบตัวว่าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อนะครับผมก็อยากจะทราบว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกต้อง <ยก S 1> หรือเปห็นกิเลสไหมวันวันหึงเห็นกิเลสเยอะไหมกิเลสมันมีตลอดเวลาเลยครับดีลูกศิษย์หลวงพ่อต้องกิเลสเยอะอย่างนี้แหละครับผมถ้าประเภทผมดีผมไม่เคยมีกิเลสโอ้มันภาวนาไม่เป็นหรอก ผมว่าผมเป็นตัวดีครับเห็นคนอื่นบางทีก็คนคนอื่นไม่ดีไปหมดอืเราเป็นตัวดีเป็นประจำโอ้แย่ครับผมเนี่ยเรารู้ทันนะรู้ทันวะใช้ได้ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้ครับก็มีเรื่องหนึงครับหลวงพ่อที่อยากจะถามว่าเวลารู้อะไรมันจะหนักหนักเข้าไปที่หัวใจนักหนักไห้เพราะเราไปบังคับไว้เวลารู้อะไรแล้วเราไปข่มใจของเราอเครับางทีแต่บางทีมันหนักเองนะ คนข้างนอกมันคิดถึงเราเนี่ยคนที่จิตชั่วหยาบมากๆนะคิดถึงแนละ้วมันแน่นขึ้นมาอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเราภาวนาจนใจเราไม่ก่อไม่เกี่ยวอะไรไม่แน่นนะบางทีก็รู้กระแสจิตคนอื่นอ ย, อ, อย่างเช่นคนอื่นกำลังปวดหัวเนี่ยเราชํำลืองไปดูแล้วปวดจิตเลยเราก็ปวดตามเขาไปเลยใช่ครับนะเราไปเห็นคนนี้เป็นโรคหัวใจหัวใจจะวายนะ อ, อยัา ง, ง น, านั้นเรครับเออนั่นแหละนั่นแหละเวรกรรมของเรา <laughs> คือเราเวรจริงๆบางคนนะอยากรู้ว่าระจิตคนอื่นให้ใ ห, หลวงพ่อสอนให้เสร็จแล้วก็จะมาบอกหลวงพ่อโอ้ยหลวงอาหัวใจผมจะวายแล้วหลวงอานะมีวันโอ้ยใครมันน้ำมาเพ่งผมจุกไปหมดแล้วนะแค่คนคิดถึงก็จะตายแล้วแต่ว่าฝึกไปนานๆนะไม่เป็นมันไม่กระทบแต่มันไม่กระเทือน <S <S <S ครับการรู้ว่าระจิตคนอื่นไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ดูกิเลสเราดีที่สุดนะเอาตัวรอด <S <S ครับผม มีอีกเรื่องหนึ่งครับหลวงพ่อเวลากินอะไรที่เป็นอาหารขาวๆกินไม่ได้เป็นเพราะอะไรอืมไม่อยากกินก็อย่าไปกินมัน <c oughs> ไม่เป็นไรดีแล้วครับผมมันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะสาคัญคือความมีสติไปเรื่อยเรากินอาหารกินเพื่อจะดํำรงชีวิตอยู่ <c oughs> แสดงว่าผมรู้ตัวได้เป็นแล้วนะครับได้แต่ว่ายังบังคับตัวเองมากไปนิดนึง ยังข่มตัวเองเยอะไปครับให้มันสบายกว่านี้นะถือศีลห้านะถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ดูร่างกายดูจิตใจทํางานเป็นระยะระยะคล้ายๆเราสุ่มดูเดี๋ยวรู้กายบ้างรู้ใจบ้างสุ่มสุ่มดูอย่าไปจ้องตลอดเวลานะถ้าจ้องตลอดเวลาจะกลายเป็นการเพ่งครับขอบคุณครับของโยมยังติดเพ่งแรงไปนิดนึงอแถมให้คนหนึ่งขอทํานิดนึงค่ะหลวงพ่อค่ะ เหมือนตัวเองฝึกแล้วเหมือนถอยหลังตลอดเวลาเหลอทำไมอ่ะทำไ ม, ไมถอยไม่ทราเหมือนกันรู้ได้ไงว่าถอยอ่ะเหมือนเหมือนมันไม่ก้าวหน้าเลยอ่ะอ๋ออยากก้าวหน้าไหมอยากให้รู้ว่าอยากแล้วก้าวหน้าเลย <c oughs> ไม่พอพอนั่งไปใช่ปะค ะ, ะมีทั้งพุโทโธมีทั้งยุบหน่อพองหนอมีทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันตีกันตลอดนั่นเปลือกมันแก่นสารสาระก็คือความรู้สึกตัวความมีสตินะเพราะะนั้นจิตใจเราเนี่ยกังวลขึ้นมารู้ว่ากังวล ดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจไอ้นั้นเป็นแค่รูปแบบเป็นเปลือกมันนะอะ ม, มีเปลือกไว้อันเดียวก็พอไม่ต้องมีหลายเปลือกหรอกนะเหมือนเคยเห็นไม้ปูอะไรเรียกปูอะไรนะเป็นปูเศษชวนน ะ, ะมีเปลือกก็มีเปลือกเดียวอะไม่ใช่มีเปลือกสามชั้นนะเพราะงั้นเรามีรูปแบบของการปฏิบัติมีอันเดียวก็พอแล้วนะเคยพุโทโธกับพุโทโธไปเคยดูฟังยุบก็ดูไปเคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะรู้จิต มันขึ้นมาเองอะค่ะพอนั่งไปก็ทุกอย่างมาผสมเข้ให้รู้ทันลงไปปัจจุบันเลยจิตฟุ้งซ่านอยู่จิตกําลังฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะรู้ลงปัจจุบันไปรู้สึกไหมจิตใจมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านในสติปัฏ ฐ, ฐานสอนไงจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเอาละตอนนิยมจํานวนมากแล้วจิตฟุ้งซ่านอยากไปลนะได้เชิญกับบ้านไปโอ้ <Okay. S 1> เหนื่อยวันวันึง บางวันพูดหายใจไม่ทันเลยไม่ค่อยถูกอากาศชื้น